ب ิ سم الله الذي لا يدرو ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سمين ل ي م بسم الله الذي لا ي د ر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سمين أليم بسم الله الذي لا ي د ر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سمين ل ي م اللهم فكه في الدين وعلمه ลิมฮุด ا ل ل ه إ ั ن ا ن س ุ ل ะอิ ل น م า ا าส ا ัลุก ا อินมันนา ا ิอันวาริสกันตอยิ ا ันวะะมัลันมุตะกะบลา ن ا ลลอฮุมะอินน่ و นาสอัลุกันจันน่ ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอสซุบฮานะฮุวะตาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกุรอาทุกๆ ท, ท่านก่อนอื่นก็ขอชุกโกต่ออัลลอสซุบฮานะฮุวะตาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันได้มีโอกาสได้มาเรียนศึกษาหาความรู้ กิตาบุลล์ก็คือกุรอานกลามุลล์ไม่มีใครที่จะดียิ่งไปกว่าคนที่ศึกษากุรอานและก็เข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเรามาตรฐานคนดีหนึ่งในนั้นคือการรู้ว่าใครนั้น เรียนกุฎอ่านมากกว่าเข้าใจกุรอ่านมากกว่าวันก่อนมีอุสตาท่านหนึ่งโพสซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นความจริงก็ได้หรืออาจจะเป็นการคาดคะเนก็ได้บอกว่า 80% เยอะมากเลยนะขึ้นมัธยมแล้วยังอ่านกุฎอ่านกันไม่ได้เขาบอกว่าเด็กสมัยเนี้ยแปนหมายถึงว่าสมมติถ้ามีสิคนเนี่ยแคนอ่านกุรอ่านยังไม่แตกตัว ยังอ่านไม่แตกตัวคือผมว่าอ่านไม่ได้เลยก็น้อยแต่ว่าอัานไม่แตกตัวนะอยู่มัธยมแล้วก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนฉันเรียนกุฎอนะ่านเน่ะปหกก็ยังยังล่อแร้อยู่นะจะมาอ่านเก่งๆหน่อยก็ต้องนะมัธยมนยั่นแหละไออก็ก็นําเรียนกับพี่น้องว่าความเข้มข้นขอ ง, ของการเรียนกุฎีอ่านในสมัยนี้เนี่ยมันอาจจะน้อยลงเพราะว่ามันมีโซเชียลมันมีสื่อเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้ ยุ่งอยู่กับอะไรนะยุ่งอยู่กับพวกโทรศัพท์ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมก็อยู่กับทุ่งนาวิ่งเล่นแล้วก็เรียนกุฎอ่านกันอ่านนี้ก็นําเรียนกับพี่น้องว่ามีลูกมีหลานเนี่ยต้องเช็คนะว่าลูกหลานของลูกหลานของเราเนี่ยอ่านกุฎอ่านเป็นยังไงบ้างาทางมัธยมแล้วยังอ่านไม่ได้นะยังอ่านไม่แตกตัวยังยังอาริบาตาอยู่เนี่ยอันตรายแล้วนะครับจริงๆเนี่ยปถมพกเนี่ยน่าจะขึ้นหัวใหญ่แลนะ้วจบนายเมื่อกี้บอกจบแล้ว ปป5ป6นี่ต้องจบหัวใหญ่แล้วมัธยมนี่อ่านเองได้แล้วนะก็ก็ก็ฝากกันว่าพอเราอ่านทำนล่ะออละสวแล้วพอเราอ่านก็อ่านกันแจ๋วแต่เป็นห่วงเป็นห่วงลูกหลานอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ฟาติห้าก่อนนะครับอาลอบิลลหฮิมินาเชตอนิรูรอจี ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Memiliki yau midin. d Ia y k a n a b u d u w a n ia karena taatin. i h d i n a s s i r a t al mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير ا ل م غ ض و ب عليهم ولا ا ل ض ا ل ي ن อาเมนอ ل างอุบิลลาฮิมินอชชิยตานอราจิมยา ن อเยห์หลล้ดีนอามานุอัติยุอลลอฮะวะอุลราะซ إ ن ن و أ ُ ل ِ ل َ ا ل أ م ْ ر ِ مِنْ قُمْ ف َ إ ِ ن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلَى ِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ อิُมก م มตุมตุมินุนับิลลาฮิวะลัยมิลลัยฮิร์ ذلك خير وأحسن تأويل ดูความหมายนะครับยาอ้อยูฮัลลดีนอามานูโอ้บรรดาศรัทธาชนแล้วทั้งหลายอาตีอุมามาจากคำว่าต่ออะแปลว่าการเชื่อฟังพักดีอาตีอุลล้อจงเชื่อฟังอัลลอ์ว่าอาตีอุลรอซูลและก็จงเชื่อฟังรอซูลเถิดนี่คือคำสั่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้เชื่อฟังพระองค์แล้วก็เชื่อฟังรอซูลซึ่ง จะสังเกตได้คำได้ว่าคําว่าอัลตีอเนี่ยอยู่หน้าคําว่ารับสุนญ์ลาละก็คืออัลลอฮ์และก็รอซูล น, นั่นแปลว่าไม่มีทางเลยพี่น้องที่คําสั่งระหว่างท่านรอซูลกับอัลลอฮ์นั้นจะมีความแตกต่างกันถ้าเราเชื่อรอซูลก็แปลว่าเชื่ออัลลอฮ์นะเราเชื่ออัลลอฮ์ก็แปลว่าเราเชื่อรอซูนลนภักดีทั้งทั้งคู่นั่นแหละ อ่าไม่ได้แยกกันนะครับแต่พอมาถึงวรรคที่สามเนี่ยวัอูลินอัมริมิงกุ้มวัวอาตีอูตรงนี้หายไปเห็นไหมอ่าคำว่าอัมริมิงกุ้มหมายถึงผู้ปกครองของพวกเจ้าแสดงว่าการเชื่อฟังผู้นําหรือผู้ปกครองเนี่ยไม่เหมือนกับเชื่ออัลลอฮ์และรอซูลเพราะการเชื่อฟังผู้นำเนี่ยต้องยึดโยงไปที่อัลลอฮ์และรอซูล ถ้าหากผู้นำเป็นผู้นำที่ชั่วเป็นผู้นำที่ไม่ดีสั่งใช้ในสิ่งที่ขัดกับอัลลอฮ์และรอซูลอันนี้ไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังและมีหลักฐานอัลลอ์บอกต่อว่าฟาอินตาณาตุมฟีชัยอินฟารุตดูฮุิลาล้อวรรศูลแต่ถ้าหากพวกเจ้าขัดแย้งกันในสิ่งใดมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันไม่ตรงกันเนี่ยก็จงนาสิ่งนั้นกลับไปที่อัลลอ์ตรงนี้ก็หมายถึงกุรอาน กลับไปที่กุรรานก่อนว่าในกุรรานเนี่ยมีข้อตัดสินที่ชัดเจนหรือไม่คําว่าชัดเจนนะถ้ามีข้อตัดสินที่ชัดเจนจบเลยเอากุรรานก่อนแต่ปรากฏว่าในกุรอณานเองก็ยังมีความหมายที่ยังเห็นเป็นอื่นได้วัดรอซูลไปดูซิว่านาบีอธิบายว่ายังไงถ้าในหะดิษนบีชัดเจนเลยเห็นตรงกันเลยอันนี้ก็จบเหมือนกันนะ แต่คราวนี้เนี่ยประเด็นก็นคือว่าบางครั้งบางเรื่องที่ศาสนาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีข้อไม่ได้มีข้อไ ม, ไม่ได้ม่ได้มีขุกรมที่เห็นไปทางเดียวกันชัดเจนเลยเนี่ยมันก็ต้องฝากไว้ที่กับผู้รู้ครูบาอาจารย์ในการที่จะอธิบายความในจึงเป็นที่มาของการเห็นต่างกันในมุมมองของฟิกกอร์ไม่ใช่ว่าเขาไม่เอาล้อหรอกเอาน่นแหละแต่ในเมื่อคําอธิบายเนี่ยมันยังหาความ เขาเรียกอะไรนะหาจุดสิ้นสุดไม่ได้นะครับก็เลยต้องมีเรื่องที่เห็นต่างกันนะครับเนี่ยตัวอย่างไม่ได้อะไรมากในเรื่องกุรบาลเนี่ยคนตายทําได้ไหมเนี่ยโอโ้โหสีท่ทศนะเนี่ยทํากุรบาลให้คนตายที่แยกเป็นเอกเทศเลยอะสมมตุติมีกีราตายเนี่ยนะจะทําให้ได้ไหมเป็นส่วนของกีเลยก็ใช้อันมารหูมด้วยบางทีจริงๆใช้คำว่ารอฮิมารหู ล, ล้อเวลาพูดถึงคนตายนะเป็นดวอาเนี่ยสี่ทศนะเลย ชฟฟีอีบ้านเราบอกว่าพารอมทําแบบเนี้ไม่ซ้อ ด, ด้วยบาปเพราะไม่มีแบบอย่างและก็ไม่มีการสั่งเสียถ้ามีสังสยยงงส่งเสียอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าสั่งเสียทําได้ถ้าคนตายก่อนจะตายสั่งเสียนี่เหตุจำเป็นต้องทำมาสัพขอใหหม่ำอัมพัมบาลีขออนุญาตเรื่องฟิกเสน่ห์อัมพัมบาลีบอกว่าทําได้เพราะาอยู่ในหมวดสดกอกโกทั่วไป ก, กับสดอกโกถึงคนตายไหมล่ะเอาถึงก็ทําได้ขามองเรื่องนี้เลยแต่มียะว่างัน ส่วนมาริกีเนี่ยเขาบอกว่าครึ่งๆึงมักกะโรทำก็ทาได้แต่ว่าน่ารังเกียจเพราะอะไรล่ะเพราะว่าไม่มีแบบจากท่านนับบีแล้วก็บันดาซอ่บะเนี่ยออกสามทางเลยก็เลยบอกกับพี่น้องว่าแบบเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ประชลดเขาเห็นต่างกันแต่ว่าในมุมมองของส่วนใหญ่ก็บอกว่าให้ทำกับคนเป็นน่ะแหละและให้คนเป็นเหนียดให้คนตายแค่นี้แหละสบายเลยไม่ต้องไปแยกส่วน ได้ห้าคนเลยได้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่เรื่องคดต้องแยกสมมติคนเดียวนี่แหละฉันทำเนี่ยเนียดให้คนตายทั้งหมดแล้วเพราะนบีเนี่ยเวลาท่านทนํานีท่านเนียดทั้งอุมมะทั้งหมดเลย <G ül Chicken> ตัวเดียวของท่านนะทั้งครอบครัวแล้วก็เนียดให้อุมมะนบีน joystick, ทั้งหมดเลยเอา่าอยู่ที่เนียดเราเองเจตนาเนียดเลยนั้นเป็นตรงเพืองนะฮะยะทําตัวเดียวนั่นแหละส่วนเดียวนั่นแหละแล้วฮะยะก็เนียดให้กับคนที่ตายทั้งหมดได้เหมือนกันอ๋อหลอกวับัสง่ายกว่าด้วยไม่ใช่ตัวหนึง่งมีคนตายมาหกคน มีคนเป็นคนหนึ่งทําตัวเดียวกันเลยแหละก็นเนียดให้คนตายไม่ต้องแยกแล้วนะทำดุดิละอันเนี้ยเป็นทัศนะของปราชที่เห็นต่างกันอยู่ในเรื่องของตรงนี้นะครับอ่ะสุดท้ายก็คือกลับไปที่ปวงปา่าว่าอธิบายยังไงเอาต่อมาฟรุตุยเราอินกุน ต, ตุมตุมินูนบินล้วันเยาว์มินอาคิดนะอัลลอฮฺบอกว่าหาผู้เจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮฺและ ว, วันปรโรคหมายความว่าแต่หากกลับไปที่อัลลอฮฺแล้วไปที่กุรานแล้วแล้วมันชัดเจนแล้ว ยังไม่เอาอีกยังดื้อก็อัลลอฮ์อีกนี่แหละเราเนี่ยจะถามว่าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไหมถ้าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยว่าเมื่อคําสั่งมันจบก็คือต้องยุติแล้วก็ยอมรับตรงนี้นะและก็วันอาคีรอก็คือวันสิ้นโลกแวริกะคอยรัวอะซาณุตะวีลาอัลลอฮ์บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ดียิ่งสําหรับการกลับไปที่สวยงามนะ กับตรงนี้ก็คือการที่กลับไปหาอัลลอ์สุบฮานะฮัวตาลาในสภาพที่เป็นบุคคลที่อะไรนะยอมรับเชื่อฟังพระองค์คราวนี้มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับจากอับดุลลอฮ์อิบนูหุยฟะอิบนุกอยสรายงานมาจากท่านอาลีบอกว่าท่านรอซูนเนี่ยส่งกองทหารออกไปและก็แต่งตั้งให้ชายชาวอันซอสคนหนึ่งเป็นผู้นำคาเดวัสเริยหมายถึงเป็นหน่วยจู่โจมหน่วยรบ นบีออกไปด้วยไหมไม่ได้ออกถ้ากอสซวานี่นบีออกไปเขาเลยทับใหญ่แต่เป็นบ้านเราเด็กทับหลวงแต่ถ้าเป็นบกกองกําลังออกไปปฏิบัติการอันนี้นบีไม่ได้ออกไปแต่ส่งแล้วก็มีหัวหน้านะก็ขึ้นอยู่ว่าปฏิบัติการมันใหญ่หรือเปล่าถ้าปฏิบัติการแค่แบบอะไรล่ะไปปิดร้อมหมู่บ้านเล็กๆก็ไม่ต้องส่งไปเยอะแต่ถ้าเกิดส่งไปแบบกองทัพก็ต้องใหญ่ก็แล้วแต่คราวนี้นบีส่งไปแล้วก็ตั้งให้ชายชาวซอคนนึงเป็นหัวหน้า เพรากฏว่ามันเกิดเรื่องปัญหาเกิดขึ้นพูดง่ายๆว่าผู้นำเนี่ยสั่งแล้วลุงน้องไม่ทำนะอันนี้เขาเรียก ว, ว่าเครื่องว่างเขาเรียก ว, ว่าเขาเรียกอะปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยเกียปล่อยเกียอ่าปรากฏว่าผู้นําคนนี้ก็เลยกล่าวกับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็อ้างบอกว่าท่านรอซูนไม่ได้ใช้ใช้ให้พวท่านเชื่อฟังฉันดอกเด้อ ก็อ้างอายาเมื่อกี้นี่แหละอัตีออนลอว่าดิวโรซูนว่อุลินอัลลีมินกุ้มฉันเป็นู้นมเป็นแล้วนบีอัลลอฮ์โรซูลไม่ได้ใช่หรอแบบนี้เขาก็ตอบว่าใช่ครับเป๊ะเลยตามที่กุรานว่าเลยอัลนบีอัลลอฮ์ใช้นบีใช้ให้เชื่อฟังผู้นำเขาจึงกล่าวว่าองั้นพวกท่านจงไปรวมฟืนมาแล้วก็เอามาจุดไฟก่อเป็นฟืนเลยและกล่าวว่า ฉันจะสั่งให้พวกท่านเนะ่ะโดดเข้ากองไฟแอบปรากฏว่าด้วยกับอีมานเนาะเพราะอัลลอฮ์ใช้อะ่ะนบีใช้เลยอ้างการเป็นผู้นำอีกคนหนึ่งนะคืออัลลอฮ์ไม่ได้ใช้อย่างงี้หรอกให้โดดเข้ากองไฟหรอกแต่เขาอ้างไงว่าอัลลอฮ์มอบเหมือนกับอัลลอฮ์สั่งใช้ฉันแล้วฉันจะสั่งอะไรก็ได้เตรียมจะโดดเข้ากองไฟอยู่แล้วเขาก็อีมา น, นจริงอะ่ะปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งยกมือขึ้นบอกว่า พวกเราเนี่ยมารับอิสลามเนาะพวกเรามารับอิสลามเหตุที่มารับอิสลามเพราะเราอยากจะออกจากนรกออกจากกองไฟแล้ววันเนี้ท่านจะสั่งให้ฉันนี่ยโดดเข้ากองไฟในดุนยาเหรอเออเขาพูดดีไหมเขาบอกว่าวันเนี้ยฉันมารับอิสลามเนี่ยฉันออกมาจากไฟแล้วไฟนรกอ่ะนะอ่าแล้ววันเนี้จะประสงสั่งให้ฉันโดดเขา้าไฟอีกแล้วมันยังไงกันเนี่ยอิสลามเนี่ยแปลกเกิดจากคนคนหนึ่งที่อะไร ที่ยังรับอิสลามอาจจะยังไม่ได้มีความรู้เท่าไหร่นะแต่ก็เป็นเรื่องดีเห็นไหมไอคนที่รู้เยอะเนี่ยโดนจะโดดเข้ากองไฟแล้วเพราะว่าต้องเชื่อฟังผู้นำไอคนหนึงบอกเฮ้ยมันใช่เหรอโดนได้เข้ากองไฟผมมารับอิสลามเนี่ยผมออกจากออกกองไฟวันนี้ท่านใช่ฉันเข้ากองไฟขอไปถามนาบีดีกว่าทุกคนก็ไม่โดนเลยก็มีใครโดนเลยคนนั้นบอกว่าถามนาบีถ้านาบีบอกให้โดนเดี๋ยวฉันโดดแน่นอนแต่วันนี้อย่าพึ่งโดนเลยเพราะว่าฉันออกมาจากกองไฟแล้ว ตอนที่มารับอิสลามเนี่ยเขาก็กลับไปถามกันเราดอคอลตูมูฮานะมีพูดเลยพวกท่านถ้าวันนั้นพวกท่านโดดเข้าไปในกองเพลิงแล้วก่อนนะมาขอรถตุมมินฮาอาบาดาท่านก็จะไม่ได้ออกจากกองเพลิงนั้นอีกเลยแปลว่าอะไรตกตกดารกด้วยถ้าโดดเข้าไปอะนะไม่ได้ออกมากคือตายและอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าตกไปารก็ไม่ได้จะไม่ได้ออกมาอีกถ้าเป็นแบบเนี้ย หร อ, อมุมนึงไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องไปถึงโรคหน้าก็ได้ขออัยทีในดุนยานี้ก็หมายถึงว่าท่านก็ตายไงถ้าโดดเข้าไปในกองไฟก็คือตายไม่ได้ออกมานาบีเลยบอกว่ า, วางี้อินนัมตออาตูแท้จริงการพักดีนั้นฟิลมารูฟต้องเป็นเรื่องที่ดีนะไอ้เรื่องโดดเข้ากองไฟเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีอ่ะท่านผู้นำเขาสั่งให้โดดเข้ากองไฟอันนี้ต้องทำไหมไม่ต้องทำเออนี่ไงนี่ก็คือเรื่องซาบับ ในเรื่องราวตรงนี้ที่เป็นเกี่ยวข้องนะเอ้าต่อมาอีฮะดิษนึงบอกว่าอัลซัมอวตารอ่ะอัลเลมาระอัลเลมารอีการฟังและการเชื่อฟังนั้นเป็นหน้าที่ของมุสลิมฟีมาอะฮับบาวการีฮาทั้งสิ่งที่เขาชอบและไม่ชอบสมมุติผู้นําสั่งแล้วไม่ชอบอ่ะแต่ต้องทํานะเพราะเมื่อเป็นคําสั่งจากผู้นําเราจะชอบไม่ชอบ อ, อ, อันนี้มันเรื่องส่สวนตัวอ่าเขาเขาแยกกันนะถ้าชอบไม่มีปัญหาเราก็ทาอยู่เร้วแต่นี่ไม่ชอบไงแต่เขาสั่งก็ต้องก็ต้องทําเพราะว่าเขาเป็นผู้นําน่ะอันนี้คล้ายๆกับกฎระเบียบเหมือนกันเนาะเขาสั่งให้แต่งชุดนนีรก็แต่งเฮ่ออันนี้จะปีนด้วยอีกเดียวก็เขาสั่งมันเป็นระเบียบอย่างนั้นก็ตามนั้นแหละมันไม่ได้ขัดเลยสักหน่อยน่ะอันนี้ผมก็อย่าไปอิงกันเมืองเยอะน่ะมาลามยุมาบิมาียเงื่อนไข อย่างเดียวเลยถามว่าเขาสั่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นบาปไหมละ่ะเขาสั่งเนี่ยมันเป็นบาปไหมถ้ามันเป็นบาปมันเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายอันนี้ทำเมื่อกี่ไม่ทําเอแต่ชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงนะชอบไม่ชอบในอีเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าไอที่เขาสั่งเนี่ยมันบาปไหมผิดไหมถ้ามันบาปมันผิดนั่นแหละถึงจะไม่ทําอำนี่คือเงือ่อนไขไฟอีราอูมมรบิมาเซียตินแต่ถ้าเกิดเขาสั่งในสิ่งที่เป็นเรื่องที่มะเสีย เป็นเรื่องความชั่วเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องที่ผิดฟาลาซัมอาวลลาตออะอันนี้อย่าทำนะแล้วก็อย่าเชื่อฟังด้วยมีฮะดิษนึงบอกว่ามีรายงานจากอูบะดาบินซอมิดบอกว่าพกเราเนี่ยให้สัตยาบันกับท่านรอซูลว่าจะเชื่อฟังทั้งในสิ่งที่ชอบและไม่ชอบทั้งหมดนั่นแหละเรื่องยากและเรื่องง่าย บางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายจะเชื่อเฉพาะเรื่องง่ายอย่างเดียวพอเรื่องยากแมแหมลับีสัง่งโอ้โหเรื่องนี้ยากเว้ยากเหมือนเราเรียนหนังสือนะวิชายากไม่เรียนก็ไม่จบไปเดีนี่ไม่จบ <c oughs> ต้องเรียนทั้งหมดอะไรจะยากจะง่ายก็ต้องเรียนเหมือนกันเวลาเชื่อฟังศาสนาจะเป็นเรื่องที่มันขัดกับนับสู้เราจริงๆเลยก็ต้องทําต้องฝืนให้ได้เนาะอ่าต้องฝืนให้ได้ต้องเชื่อฟังทั้งหมดแต่ได้ไม่ได้ก็คือความสามารถนะอีกเรื่องหนึ่งนะระดูตามความสามารถ เรื่องที่มีผลต่อพวกเราก็จะปฏิบัติแม้ว่าทำไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลมากมากกับเรานทั้งเป็นผลลบและผลบวกผลบวกมีปัญหาผลลบก็ไดในแง่ลบเราก็จะทำและจะไม่ขัดแย้งกับผู้ชำนาญการงงไหมตรงนี้เดี๋ยวผมวงเล็บไปให้นะนบีบอกว่าอิลล์อันตรากุฟรอนบ่าวฮันอ um ินดาคุมฟีฮิมันมาัลลอฮิบุรฮานยกเว้น การที่พวกท่านเห็นว่าไอการปฏิเสธมันเป็นการปฏิเสธอย่างโจงแจง้งคือสมมติเนี่ยเรื่องใดที่ไม่ได้กล่าวว่าดีอิสลามพูดถึงเรื่องดีเอผู้ชํานาญการเลยเขากิ่งมากทังด้านเรื่องนี้เขาพูดทฤษฎีต่างๆแล้วก็ไม่ได้ขัดกับอิสลามด้วยอันนี้เราเชื่อเราเชื่อได้ไหมเชื่อไดอ้เรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆพวกเครื่องยงเครื่องยนต์อะไรเงี้ยที่เขาวิจัยกันมาจนกระทั่งมันตกผลึกแล้วเนี่ย มีผลสําเร็จแล้วหรือมันมีข้อความชํานาญของเขาเนี่ยเราก็เชื่อได้ไม่มีปัญหาหรอกอแต่ถ้าเรื่องใดที่มันขัดกับอิสลามเลยแม้ว่าเขาจะมีผู้ชํานาญการขนาดไหนเช่นบอกว่ามนุษย์มาจากลิงเขาบอกมนุษย์มาจากลิงเกิดจากวิวัฒนาการมัน ค, อคอ่อยๆออกมรรจาลีมาเป็นลิงเนี่ยเป็นลิงแล้วก็ค่อยแขนเริ่มโหดลงมาขนเริ่มหายกลายเป็นคนอย่างเนี้ชํานาญการอย่างนี้ขัดกับอิสลามไหมขัดอย่างนี้ต้องต้องปฏิเสธ ห้ามเชื่อทฤษฎีของชานดาวินซึ่งอันนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ในหมู่ของเขาก็เห็นต่างนะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีดีเออครับเขาไปตรวจแล้วดีเนเกับลิงกับคนคนละเรื่องกันเลยนะมันไม่มั่วกันหรอกเอาล้อสร้างมนุษย์มาอีกแบบหนึ่งสร้างลิงมาอย่แบบหนึ่งม้นถลิงมันวิวัฒนาการได้นะป่านิี้มันกลายเป็นมนุษย์หมดแล้วใช่ไหมมันมีลิงเหลือหรอกนะวัวกระพู้จะเราดูเรื่องแหละมันวิวัฒนาการได้เนาะ ป่านนี้ผ่านมากี่ปีแล้ววัวเนี่ยเป็นพันปีสมัยนบีมูซาป่านนี้มันคุยกับเรารู้เรื่องแล้วแหละนะเออมันไม่วิวัฒนาการหรอกมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละนะอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังว่าถ้าผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่ไม่ได้มีในก่าวในคุรานในฮะดิษเนี่ยแล้วเขาวิวิจัยจนกระทั่งมันได้เราก็เชื่อได้มีผลวิจัยออกมาแต่ถ้ามันวิจัยออกมาแล้วมันขัดกระไรอิสลามอันนี้ต้องปฏิเสธเลยไม่เชื่อ วิจัยวิจัยมาแล้วมีมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยนะเออแล้วก็เอาล้อบอกว่าเอาล้อ AH สร้างไว้มีกี่ประเภทล่ะในอยู่อีกโลกหนึ่งเป็นยังไงอันนี้วันลออวันล้ำนะแต่ว่าไม่มีในกุรฎีเราก็บอกเราก็ไมเชื่ออย่างเงี้ยประมาณนั้นนะเออเชื่อในที่กุอานบอกนะครับอ้าวต่อมาอียาดีสนึงบอกว่าอิสมาอุลว่าอัลตีอูจงเชื่อและจงเชื่อฟังแล้วก็จงฟังอิสมาอุลก็ฟังแล้วก็เชื่อนะเชื่อฟังอินอ um um ุมิรออลไลกุมอับดันฮะบาชียุน อับดุลอาบบชียุนกาอันนาระซะหูซา บ, บีบาตุนเขาบอกว่านบีสั่งเลยนะให้เชื่อฟังผู้นําแม้ว่าผู้นําของท่านเนี่ยจะเป็นคนผิวสีผิวดําศีรษาดูเหมือนลูกเกตศีส่สาเหมือนลูกเกตฉันงงเลยเคยเห็นเม็ดลูกเกตไหมลูกซา บ, บีบะแล้วมันลองคิดสภาพผมของคนแอฟริกามันจะเป็นหยิกหยิกติด <c oughs> มันเหมือนกับเม็ดเออเหมือนเม็ดไอ้ลูกซา บ, บีบะติดหัว ผมไม่สวยแบบเราหรอกของเราเนี่ยผมสวยงามของเขาเนี่ผมหยิกติดหัวหมดอ่าคือคนก็อาจจะด้อยค่ามนุษย์ที่ผิวสีแต่อิสลามบอกว่าถ้าวันหนึ่งคนเนี้ยเขามาเป็นผู้นําเราเนี่ยจะไปบอกเขาโอ้ยนี่ผู้นามผมสีไม่เอาไม่ได้ก็ต้องเชื่อถ้าเขาใช้ในเรื่องของดาวของ อ, อัลลอฮ์ในรอซูลอิยาติส์มึงบอกว่าแม้ว่าจะหมวกจะแหว่งก็ตามเป็นคนพิการก็ตามถ้าถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นำแล้วก็ต้องเชื่อฟังเขานะ เ อ, อมีตรงไหนอีกก็ยาวอยู่นะเรื่องตรงเนี้นะเรื่องของผู้นาเนี่ยสุดสรุปก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดความขัดแย้งกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ปริยย่อยก็ให้กลับไปดูว่าคุรอานว่ายังไงสุนนะของท่านนาบีว่าอย่างไรดังนั้นเรื่องใดที่คัมภี์ของเราและสุนนะของเราสูนตัดสินชี้ขาดแล้วและยืนยันว่าถูกต้อง ก็ถือว่าเป็นสัจธรรมที่ถูกต้องและเมื่อความจริงปรากฏแล้วจากนั้นก็ไม่มีอะไรคนที่ออกนอกความจริงก็คือคนที่หลงทางนะก็ตรงนี้ก็เป็นหลักการศาสนาของพวกเราว่าการเชื่อฟังตรงนี้อินนามาตออาฟินมารูต้องเชื่อในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นความถูกต้องเท่านั้นดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมีอย่างเดียวเลยที่เราจะไม่เชื่อยอ้อกเชื่อมะเรามีเรื่องอะไรบ้างที่เราเชื่อยอ้อนเชื่อมะไม่ได้ ทำไม่ทำชิริกอ่ากีพูดดีมากเลยธรรมะเราป๋าเราบังคับให้เราออกจากศาสนาให้ทิ้งศาสนาอันนี้เราเชื่อไม่ได้ธรรมะป๋าเราใช้ให้ไปเรียนหนังสือลูกเอ้ยนะให้เคารพผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ต้องทำนะอย่าไปอ้างสิทธิ์อย่างเดียวอ่าเพราะาอิสลามเราเนี่ยให้เกียรติกับผู้หลักผู้ใหญ่และก็การที่จะปฏิบัติอะไรเนี่ยให้คานึงถึงผลกระทบ ละหมาดเนี่ยพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายนาบีบอกว่าเวลาจะละหมาดต้องเอาไม้เอามือเนี่ยลดแปลว่าอะไรลดคือถ้าปกติล้ะหมาดนี้เรากางนะกางแขนโอ้โหเขาเรียกว่าก็ทําให้ถูกต้องเลยเป๊ะเลยแต่พอเวลาเป็นละหมาดจะมาเนี่ยให้ลดแล้วให้แคบลงแล้วอไม่ใช่ไปปาด ท, ทับแถบคอเขางี่าแม้กระทั่งนั่งตะวัตรุกเนี่ยฉันเคยแปลแล้วนั่งตะวัตรุกเนี่ยคือนั่งสอดเท้าเนี่ย แล้วเอาเอาเอาก้นแนบพื้นใช่ไหมนั่งตะวัดลุกอะ่ะนั่งตะทียาครั้งสุดท้ายเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยพื้นที่เยอะบางคนต้องตีแปลงอย่างฉันเนี่ยต้องตีแปลงเยอะตัวใหญ่ไงคือถ้านั่งอิฟติโรชเนี่ยมันใช้พื้นที่พอดีแต่ต ะ, ตะวัดลุกเนี่ยฉันมาเพิ่มต้องซื้อพื้นที่เพิ่มต้องตีแปลงหน่อยเพราะตัวมันใหญ่ขาเอ่ย อ, อะไรเอ่ยมันมันพับไม่เก่งตัวใหญ่ปรากฏว่ากีมานั่งข้างฉันเลยอยู่ข้างข้างซ้ายพอดีเลยเบียดกันพอดีเป๊ะ แต่ฉันตะวัดรุกเนี่ยมีขากเสบอกแค่นี้แหละทับศาสนาบอกไม่ต้องตะวัดลูกกับอิฟติรอสแหละเพราะอะไรเพราะมันไปเดือดร้อนกี่ถ้าตะวัดรุกกีก็โอ้ยอย่างนี้แหละก็ไม่ใช่แล้วจะมาอ้างว่าเฮ้ยฉันตามสุนนะแต่มันไปกระทบคนอื่นแล้วไงมันไปลบเเออก็ต้องรู้ว่าอันไหนที่มันไปกระทบคนอื่นไหมนะครับเนี่ยตัวอย่างนะอันนี้เราส่วนตัวทําเลยไม่รบกวน อะไรหละต้นไม้นบีเจอครั้งหนึ่งต้นไม้บ้านหนึ่งมันเ อ, มนเอ็มันจะไปลบไปทับคนที่อะไรนะคนที่เขาเดินผ่านมาไอ้นี่ก็ไม่ตัดอ้างว่าต้นไม้อยู่บ้านฉันอ้างอยู่เงี้ยก็บ้านฉันนะ่ะทำไมอ่ะกร้บานเกอแต่มันจะไปทับที่คนอื่นเขาสิมาปรึกษาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมนบีสั่งอะไรกันลื้อเลยจบเลยตอนแรกจะจ่ายตังค์ให้ด้วยนะ จะจ่ายตังให้ค่าเลยนะค่าตัดต้นไม้ค่าเสียหายเดี๋ยวย้ายต้นให้ไปปุ๋ยที่นึงไม่ยอมไม่ยอมอ้างสิทธิ์อย่างนั้นแหละบ้านฉันแต่มีบอกอออ้างใช่ไหมตัดทิ้งเลยไม่ต้องได้อะไรเลยเงียบเลยเห็นไหดื้อ ม, มากไม่ดีหรอกนะดังนั้น บ, บางครั้งเนี่ยต้องดูด้วยวันไปกระทบใครหรือเปล่าอันนี้ตัวอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราอ่านกันต่อเนะยิ่งเรียนกูอ่านเราจะเข้าใจถึงถึงอะไรนะถึงข้อปฏิบัติ นะครับต่างๆนะว่าอิสลามของเราสวยงามมากนะครับอัลฮัมดุลิลละหกสิบห6สอดบาะลัมตรออลัลวทีนียจะมูนอันนั้หุมอาเมน أنهم آمنوا بما أ ُ ز ِ ل إليه لِكْ و َ م َ a أَمِرَكَ لِكَ يُرِيدُنَ أ ยูดิลล์َุมดอลลัมบะอิดะและยู ي ิลล์ชัยกานุอัยยูบิลล์ฮุมดอลาลัมบ قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله تعالى إلى ما หัวอิลล س รัสูล์ม ل อั ل ลอฮฺอิ ل ล์ร ل สูล์ร้า ن ทั ق ي ุ ي าฟิกีน่ายัสด ك นดด ف َ ك َ ي ْ ف َ إِذَا أَصَابَتْهُمْ م ُ ص ِ ي ب َ ة ٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ขุมมุสีบาตุมทุมมาแจอูกัยฮ์ลิฟูนับิล อินอา r a d n a กอ ل ّ ا إحسان و توفيقاا إ ل ا إ ح س ا و توفيقاا ผู้ที่รู้จักพ ل ะเจ้าในใจของพวกเขาฉันจะไม่สนใจพวกเขา allhum ف อ ا ل ف و ز ه a อ่ะมาดูความหมายนะครับ จากอายะห์ก่อนหน้านี้อัลลอฮ์สั่งใช้ให้เชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูนแล้วก็ให้ปฏิบัติตามผู้นำในสิ่งที่เป็นความดีนะครับแล้วก็บอกต่อว่าถ้าเกิดความขัดแย้งกันเกิดสิ่งที่ไม่ลงรอยกันก็ให้กลับไปดูว่าคุรานกล่าวอย่างไรฮะดิษนบีว่าอย่างไรเมื่อเกิดข้ อ, ข อ, อเมื่อเกิดความชัดเจนแล้ว นะก็ให้ปฏิบัติตามนั้นเลยนะหากว่าเป็นผู้ศรัทธาคำว่าตรงนี้เสื้อศรัทธาต่อร่าและวันรอศูนย์ก็แสดงว่าถ้าคนที่ไม่ใช้กุรอ่านมาตัดสินนะก็จะอยู่อีกพวกหนึ่งคนที่ไม่ได้ศรัทธาคราวนี้อลัลลอฮ์เล่าต่อว่าอัลัมตารอเจ้ามิได้พิจารณาหรือมองคำว่าตอรก็นี้หมายถึงเห็นนะนะเจ้ามิได้มองดูใครอีลายังอัลลดีนะ ยะสอมูนบรรดาผู้ที่อ้างตนว่าอันหุมอามานูว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยอามานู a ศรัทธาศรัทธาไรบีมาอุนซิละอีละอก่ะปศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าก็คือแก่ท่านอับดุมฮัมหมัดสโลมลฮวาในอุสันลำว่ามาอุนซิละมินกอบลิกและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนหน้าพวกเจ้า ดอกหรือก็คือให้พิจารณาดอกนะเป็นคำถามที่อัลลอฮ์ให้เราได้คิดพิจารณาว่าพวกนี้ที่อ้างตนว่าศรัทธาต่อนบีก็จริงบอกว่าศรัทธาแล้วก็ศรัทธาต่อใครต่อศูนย์ก่อนหน้านี้เนี่ยปฏิบัติตนอย่างไรแต่พอเวลาที่มีปัญหาหรือมีข้อขัดแย้งเนี่ยยูรีดูนะไอยะตะหากามูนะคาการูคล้ายคาว่าฮากิมนะฮากิมแปลว่าตัดสินใช่ไหม โดยที่พวกเขาเหล่านั้นต้องการที่จะให้การตัดสินแก่ต่อกูตต่อกูตก็บอกไปแล้วคืออะไรต่อกูตคือสิ่งที่ถูกอบโผลออกมาทุกสิ่งนั่นแหละว่าเป็นพระเจ้าอ่ายกการตัดสินตรงนี้เนี่ยให้กับไม่ใช่กันหรเป็นสิ่งที่มีมนุษย์เด็กอบโผล่วันเนี่ยคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่มีอำนาจนั่นแหละตั้งตนขึ้นมานั่นแหละ นะและพวกเขาก็ใช้ให้ปฏิเสธมันและพวกเขาก็ถูกใช้ให้ปฏิเสธมันจริงๆอัลลอฮ์ใช้ให้ปฏิเสธใช่ไหมกับพวกนี้นะว่าก็ดัอูมีรูอายูกาฟิรูบีว่ายูรีุเชตันและเชยตอนนั้นก็ต้องการที่จะให้เขานั้นเป็นไงอายูดิลหุ่มดอลาลัมบาอีดาหลงทางแบบไกลลิบรีเลยไกลลิบเลยไม่ใช่ไกลลิบรี่ไกลริบเลยบายแป ล, ล, ปลปปว่าไกลมากๆ หลงทางอย่างไกลเลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหุกกมอย่างหนึง่งก็คือคนที่หันเหออกจากคำพีของลอเลโรซูลและเอาสิ่งอื่นมาตัดสินชี้ขาดเขาไม่ใช่มุสลิมอันนี้เป็นหนึ่งในการตกศาสนานะพี่น้องถ้าวันหนึ่งเนี่ยมีคนเชื่อว่าหุกกมของอัลลอ์เนี่ยเป็นหุกกมที่ล้าหลังไม่ถูกต้องเชย อะไรประมาณนี้นะแล้วก็บอกว่าการตัดสินของแนวคิดหนึ่งหรือใครก็ไดายนั้ผมก็ไม่รู้นะอุปโลงขึ้นมาเนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกต้องดีกว่าอิสลามนั่นแหละบดแรกความเป็นมุสลิมในตัวเขาเพราะอย่าลืมว่าอัลลอฮ์เนี่ยการเชื่อฟังเนี่ยไม่ได้เชื่อฟังเฉพาะไอ้สิ่งที่ตัวเองเห็นด้วยอย่างเดียวไงอย่างที่บอกถ้าไหนมันเข้ากับ น, นับซูเราเชื่ออันไหนไม่เข้านับซูปฏิเสธไม่ได้อันนี้ไม่ใช่มุสลิมที่แท้จริงนะครับ อ, อตรงนี้มีสาเหตุนะมีสาเหตุในการประทานอายกุรา น, นี้ลงมาปรากฏว่ามีคนทะเลาะกันอมีข้อขัดแย้งกันมีชาวอันซอดคนนึงกับชาวยูเนี่ยทะเลาะกันชาวยูก็บอกว่าระหว่างฉันกับเจ้าเนี่ยระหว่างชาวยูนะ ย, ยูเนบอกว่าไงรู้ไหมระหว่างฉันกับเจ้าเนี่ยให้ท่านนับีุลลาให้มุฮัมมัดตัดสินเขาไม่ได้นบี เขาเรียกมฮัมหมัดแต่เขาเชื่อในความยุติธรรมของมฮัมหมัดเนี่ยแหละยิวให้ใครให้ใ ห, ให้ให้รอซูลตัดสินแต่คนที่เป็นชาวอันซอร์คนนั้นเน่ะบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวกลัวนบีตัดสินไม่ยุติธรรมไปมอบให้กาบอิฟนูอัชรอตัดสินงงไหมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นยะฮูดให้นบีเราตัดสินแต่คนนี้เป็นมุสลิม แ, แท้ๆเนี่ย ไม่ให้คนอื่นตัดสินไม่รู้ใครกัไม่รู้อาจจะเป็นมุสลิมเดียกันก็ได้เออตัดสินอาย่านี้ก็เลยถูกประทานลงมาเลยนี่เป็นเป็นข้อให้เห็นเลยว่าคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขายังยอมรับในหลักการศาสนาไอ้คนเป็นมุสลิมแท้ๆบางทีมันกลับไม่เชื่อไม่เอาเนี่ยอย่างงั้นไม่ต่างกันหรอกนะอ่ะอาย่านี้ก็เลยลงมานะครับแล้วก็ครอบคุมไปทั้งหมดนะเวลาที่มีข้อตัดสินในกุรานบอกไว้ชัดเจนแล้วแต่เรากลับไปเลือก ให้อย่างอื่นมาตัดสินเนี่ยอันนี้ไม่ได้ต่อมาครับขอเล่าต่อนะทั้งหมดเลยนะเออพี่น้องเอิงเนี่ยกีแกพูดดีนะหมายถึงว่าสมมุติมุสลิมเราเนี่ยจริงๆก็ต้องแบ่งมรดกตามใช่ไหมตามที่ศาสนากำหนดยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไปให้ศาลตัดสินตามกฎหมายไท ย, ยสมมุตินะ อ, อ, อย่างเงี้ย จะเป็นหุกกลมได้ไหมว่าเขาไม่เลือกในการตัดสินของร้อ่าก็เป็นไปได้เข้าเข้าคายอเข้าคายนะยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยอ่าเขาไม่ได้ห้ามเราหนิในการที่เราจะใช้กฎหมายขอร้อง Allah ในการตัดสินตัวอิห ม, มมีใช่ไหมเราแบ่งมรดกกันพอถึงเวลามันต้องทําหนังสือให้ทนายความไปที่กลุ่มที่ดินพอต้องตั้งมีหนังสือนะต้องตั้งผู้จัด ก, การมรดกแต่เราคุยกันข้างในก็คือใช้อิสลามตัดสินก่อนอ่าแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้อิสลามตัดสิน แล้วเราก็มอบไปในสิ่งที่ไม่ไม่่ใช่ในหลักการศาสนาเขาตัดสินเนี่ยและไปขัดกับสิ่งที่อัลลอ์บอกอันนี้แหละนะเป็นเรื่องที่ผิดหลักการนะจขออนุญาตแป๊บนึงนะครับผม <c oughs> อ่าต่อมาอี๋ยวจบแล้วนะฮะและเมื่อถูกกล่าวแก่พวกเขาพวกเจ้าจงหันมายังสิ่งที่อัลลอ์ได้ประทานลงมา ว่าอี ذاقيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله هو إلى الرسول และเมื่อถูกกล่าวแก่เขาว่าพ่อเจ้าจงหันมายังสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาและยังรอสุนเถิดก็จะเห็นในสภาพที่กลับกรอกมุนาฟิกีนมีคนบอกว่าทําไมไม่ใช่ขุกรมขอละตัดสินล่ะทําไมไม่ใช้การตัดสินแบบอิสลามบอกละ่ะในกุฎานบอกละ่ะ ก็จะเริ่มเริ่มกับกอกและหาข้ออ้างนูน่นหาข้ออ้างนี่อ้างนูน่นอ้างนี่ก็สารพัดแหละปัปสาวของมนุษย์เราเนี่ยข้ออ้างมันเยอะถ้าคนจะไม่ทํำมานะคนจะทําเนี่ยไม่พูดเลยมากหรอกอย่างที่ฉันบอกว่าฮะดีษซอเฮียฮะดิษเดียวไปไงเอาเลยทําเลยแต่คนมันจะไม่ทํานะเอาไปร้อยฮะดิษซอเฮียมันยังมันก็ไม่เอา <laughs> นะลักษณะของมูนาฟิกกับหน้าวัยหลังหลอกอย่าสุดดูนะอันกับซูดูดา เจ้าก็จะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยกลับกอกและผินห ผ, นผินหลังให้นะครับให้แกเจ้าอย่างจริงๆอายะที่ห2สิฝ่ายไกฟฝาอีราเรอโซบัตุมมูซีบะนะและจะเป็นอย่างไรเล่าอาลัลลอระถามนะเป็นอย่างไรเล่าไก่ฝะาเมื่อมีเหตุร้ายมาประสบแกพวกเขาเนื่องจากสิ่งที่มือของพวกเขานั้นได้ประกอบขึ้นพอเวลาถูกถูกอะไรนะถูกบาลาแล้ว ไปเลือกนะในสิ่งที่ไม่ใช่การตัดสินของอัลลอฮ์แล้วเกิดขึ้นของไม่ดีก็มาตามมานะสังเกตเนานะการซอเหล่มคนเรื่องมรดกเอ่ยเรื่องอะไรเลยโกกงเขานะครับแล้วสุดท้ายเกิดสิ่งไม่ดีตามมาเยอะแยะพ่อเลอยเห็นเลยบาปอยู่สองบาปอัลลอฮ์จะไม่รีรอหนึ่งคือการไปซอเหล่มคน Allah, เอ่ยห็นดุนยานี่แหละอันนี้สองในตรคุณพ่อแม่ไม่ต้องรอโรคหน่าเห็นเร็วทันตานะอันนี้เห็นได้ได้เห็นทันตา เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะพวกเขาก็จะมาหาเจ้านะมาหาแล้วโดยสาบานต่อเราว่าเราไม่ได้ยาหิยาลีฟู ต, ตรงนี้ถึงขั้นสาบ า, ลเล น, านเลยยืนยันเลยอินอัรดนาอีลาอิฮซานันอัตาฟีกอบอว่าพวกเราไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากให้เป็นความดีให้มันปรองดองกันก็จะหาข้ออ้างต่างๆ ต, ต, ตอนไหนอ่ะตอนที่โดนแล้วตอนที่โดน โดนโดนเรื่องราวไม่ดีมาประสบของเขาก็จะอ้างนูน่นอ้างนี่แต่อัลลอ์รู้ในหัวใจอัลลอ์จึงปิดท้ายอายะที่ห3สบามบอกว่าอูลอิกาคือถ้ากลับเนื้อกับตัวจริงไม่เป็นปัญหาหรอแลแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกับว่าแก่ต่างไปอย่างนั้นแหละแต่จริงก็ไม่ได้ไม่ได้มาจากหัวใจไงคือถ้ามาจากหัวใจก็อีกเรื่องหนึง่งอ่ามุนาฟิกเนี่ยมันก็จะซ่อนนะครับในความเป็นกลับกอกอยู่ นี่เขาก็บอกในอัลลอฮ์ก็บอกว่าอุลัยกัแลดีนยะอัลมุลลอหูมาฟีกูลูบิหิมแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยรู้นะในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเจ้าทั้งหลายฟ้าริดอันหุมไหวสุหุมนะดังนั้นพวกเจ้าจงผินหลังให้แก่พวกเขาไม่ต้องไปสนใจหรอกพวกเนี้ยนะและจงตักเตือนพวกเขาอ่าและก็ให้การตักเตือนพวกเขานะครับ เรื่องเกี่ยวกับตัวของพวกเขาด้วยสำนวนที่กินใจนะก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นสา บ, บสาเหตุในการประทานอันกราตรงนี้ก็อลัลลอฮ์ตำหนินะพมูนาฟิกีนนะครับพวอมูนาฟิกอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมูนาฟิกจะมีแบบเรื่องเอียติกอดอันนี้คือไม่ใช่มุสลิมอยู่แล้วนะคือปฏิเสธอัลลอแ์ะและรอซูลแต่ซ่อนมันไว้ในหัวใจ ส่วนมุสลิมมูนาฟิกอีกประเภทนึ่งก็คือมูนาฟิกเดืองอมาลีเดืองอามันบางทีละหมาดช้าบ้างขี้เกียจละหมาดบ้างอันนี้ยังเป็นมุสลิมอยู่ผิดนัดบ้างนะมาสายบ้างอันนี้ยังเป็นมุสลิมอยู่นะแต่มีลักษณะที่ไม่ดีของมูนาฟิกเข้ามาประกอบแต่ยังยังอะไรนะยังเป็นมุสลิมอยู่นะครับอันนี้ต้องแยกนิด น, นึงนะ บางทีเนี่ยเหมามุนาฟิกมุรมหมดเลยอย่างเช่นนเคยบอกอะไม่ใช้นี่เสร็จยกฮดิยกกุรานอยู่ในก้นนรกเลยบอกอ่อนหลอไม่ใช่ละคนละเรื่องละอันนั้นเอียติกอดน ะ, อะซึ่งมุนาฟิกก็จะมีสองแบบใหญ่ๆนะครับนะครับก็ก็นำเรียนตรงนี้เป็นความรู้ในเรื่องราวที่กุฎานได้กล่าวนะ อ่ะประมาณนี extent, future, ้นะครับเดี๋ยวได้ฟังบรรยายกันต่อแล้วก็พักกันนะครับสุบฮานะกอลลอฮุหมาอบิฮัมดิกะอัชดอัลลอิลาฮอลลอันตะอัสตัฟุลูกะวตุบิลอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบระกตุ